หาดูวิดีโอซื้อออนไลน์สือโซเชียลมีเดียงานบันทึกภาพทับคืนไวผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กยพร้อมให้บริการด้วยประสบการณ์ตสืนนานกว่าปีอร์มากมีโทร9 8นยรับใช้พี่น้องประชาชนทุกเสียงมีความสาคัญและเมื่อคุณต้องนึกโเลื่อเลืทีมงานรเตอร์ เสียสปอร์ตดังแห่งสปอร์ตโฆษณาสปอร์ตประชาสัมพันธ์ภาคเสียงสื่อวิดีโอวิดีทัศเสียงดังฟังชัดสื่อสารเข้าใจสอบถามงดงามส่อ2ส่ 4และ3 3 2 9 4ม สำคัญและมือคุณต้มเลื่อโร่เลือเลื่อทีมงานคริเตอร์อัดเสียงสปอร์ตตัดแห่ดสปอร์ตโฆษณาสปอร์ตประชาสัมพันธ์ภาคเสียงื่อวิดีโอวิดีทันเสียงดังฟังชั้นสื่อสาเข้าใจสอบถามโทึ่งสี่เก้าสองสองสองหนึคุณฟังกำลังให้เกียรติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง วอททอเลฟเรดิโอปัตตานีออกอากาศในระบบ FM s t e r e สตรีโอมันดิพลกความถี่ 93.0 MHz มกเฮิร์์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาระประโยชน์และความบันเทิงตั้งแต่เวลา6กนาิกาถึง22งนาฬิกาของทุกวันท่านสามารถติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์